ค้าต่อความหลอความลืมแต่ว่าไม่หลงลืมจำได้รละลึกได้ความระลึกได้อย่างนี้เนี่ยเราก็คงพบว่าเรามีอยู่แล้วมีมาตลอดเลยจำเบอร์โัรสัต์ของเพื่อนได้จำทางไปบ้าน แยกผู้ใหญ่ได้จำเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ได้ที่เคยร่ำเรียนมาที่เก็บสะสมไว้ในความสรงจำดึงออกมาได้นั่นแหละคือสติเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของสติคือความระลึกได้จำได้ไม่ลืมไม่ห ล, ลง กำลังทํางานอยู่นึกขึ้นมาได้ว่าเออย็นนี้เราต้องโทรศัพท์ไปหาลูกชายกําลังดีดเสื้ออยู่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อกี้เราตั้ ง, งน้ำเอาไว้ต้องไปทํานี่แหละคือหน้าที่ของสตินั่นจะได้ว่าสติมันไม่ใช่เป็นเรื่องลี้ลับซับซ้อนนะมาเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ อยู่แล้วนะมาตั้งใจเปิดปติแตลว่าเราลืกได้ไม่ลืมไม่ลืมข้อมูลไม่ลืมนัดหมายนะไม่ลืมงานจากที่ค้างๆเอาไว้แล้วก็รวมไ่ถึงไม่ลืมตัวด้วยนี่เขาไม่ลืมตัวนี้ต็ความหมายที่เราคุ้นเคยเยอะก็คือว่าได้ดีแล้วไม่ลืมตัวไม่ลืมตัวมอนวัลืมตีนะ อันนี้ก็เป็นหน้าที่สติเหมือนกันนะคนที่เคยยา ก, กนจนแต่แล้วได้ดีได้ดีแล้วก็ลืมเพื่อนลืมว่าเพื่อนที่เคยลำบากยากจนมา ก, ก่อนเสร็จ แ, แล้วต้องมีคนมาเตือนสตินะให้เราลึกว่าสมัยก่อนเราก็เคยลำบากไม่ควรลืมเพื่อนไม่ควรลืมอ่ความคือไม่ควรลืมพ่อลืมแม่ที่เคยที่เป็นช า, ชาวได้ชนาอันนี้ก็เป็นเรื่องของสติเหมือนกัน ที่เราใช้คำว่ามาเตือนสติมีคนมาเตือนสตริรู้ตัวสติ ก, ก็แปลว่ารู้ตัวได้เหมือนกั น, นที่จริงความหมายจริงของคำนี้คือสัมปชัญญะแต่ว่าเราพูดเลือล่อยรวมเลยว่าสตริรู้ตัวคนที่สับสลายอยู่แต่แล้วเราเรียกเขาปลุกเขาขึ้นมาจนกระั่งเขารู้สึกตัวขึ้นมาได้อ่าออกมารู้สึกตัวขึ้นกกมาได้มีสติกลับมาแล้วอันนี้เราก็เลยเขา มีสติ <Edge> ที่เป็นหน้าที่ของสติก็คือความรู้สึกตัวสลบทลดยเมาไม้นะเราเตือนหรือช่วยทําให้เขาามีตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาอันนี้เราเรียกว่าสติเนี่ยสตินี่เราแต่ละคนต้องมีกันอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นความระลึกได้ความไม่รู้ตัวความรู้ตัวรวทํางทได้ประมาทเรียนไม่ประมาทก็ประมาทเองก็เป็นหน้าที่ของสติทันที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 หรืว่าแบบอาจจะหมายถึงความไม่ห ล, หลงไหลมัวเมามางคลเล่นกีฬาแล้วมีชัยชนะมาหลายครั้งก็ประมาทเห็นผู้ต่อสู้ว่าไม่มีอะไรอันนี้ก็กลายว่าประมาทก็ไม่มีสติเหมือนกันลหลงไหลหลงมัวเมาในชัยชนะหรือหลงมัวเมาในความสามารถของตัวประมาทผู้ต่อสูอ้นนี้คือไม่มีสติ โดยไปถึงว่ายังหนุ่มยังสาวรือมีสุขภาพดีก็ประมาทในความตายสิ่งไร้ไรมันยังไม่ปรากฏแล้วก็เราเราลึกได้ว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นในความตายอันนี้มีสติระลึกได้ขึ้นมาก็เกิดความไม่ประมาทในชีวิตเนี่ยประมาทนี้ความไม่ประมาทซึ่งเป็นชื่อหนึ่งของสติเนี่ยมันก็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 เพราะว่ า, ามีมีสติระลึกได้ว่าเออชั่ววันเราจะต้องตายไม่ลืมว่าเราจะต้องตายอันนี้ก็เป็นเรื่องของสติซึ่งไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นในง่ายงาเพราะว่าคนเราอยู่กับสุขผ้าอยู่กับความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะอยู่กับอารมายัยอยู่กับความสะดุกสบายมันก็ยังไม่ถึงหอกว่าบางทีก็ยังไม่ถึงว่า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 ตั้งน้ำอยู่ต้มน้ำร้อนอยู่นักเพื่อประจําได้ไม่เคยผิดนักไม่ต่อหนาในชีวิตเลยลึกอยู่สมอว่าจะ ต, ตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็เตรียมพร้อมที่ในกำให้กับเอาไว้แล้ว<ม>ถามว่าแค่นี้พอไหมนะหลายคนรู้สึกว่ า, อวาเออสติแบบนี้นก็พอใช้ได้นะก็ไม่ต้องมาฝึกสติเลยนะไม่ต้องมาเข้าไก็ได้เพราะว่าที่ อาจารย์พูดมาทั้งหมดนี้ฉันจะมีอยู่แล้วแล้วก็มีแบบไม่พร้อมด้วยนะใช้การได้มันก็จริงอยู่นะแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะราบรื่นไปเสร็จทั้งหมดมันมีสิ่งที่แม่คาดฝันเกิดขึ้นเยอะมันเรืกก่องปัจจุบันทั้งเดือขึ้นเยอะประเด็นสำคัญก็คือว่าไอสติที่เรามีเนี่ยพอที่จะใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ย พ อ, อเจอเหตุการณ์ที่กริบปั่นทันด่วนหรือเรื่องที่ไม่คาดฝามเนี่ยถามว่าสติที่มีอยู่มานรับมือได้หรือเปล่าเราไม่มีทางคานัยเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นสติคน เ, เราในชีวิตประจำวนจนันเนี่ยพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันมันเอามาใช้ได้ในขั้นทง ท, งทีหรือว่ามันเอามาใช้แบบครึ่งครึ่งกลางกลางแต่ถ้าเรามีสติที่พัฒนาดีเนี่ยพอเจอเหตุการณ์่างนี้นเนี่ยมันคอยตั้งหลักได้ความตื่นต้น แต่ตกใจไม่ไม่เข้ามาครอบงนจิตเพราะว่าสามารถที่จะสลัดสลัดความรู้สึกตื่นเต้นให้ให้ความรู้สึกกลัวเข้ามาแทนได้ชีวิตคนเรามันจะมีเรื่องปัจจุบันทั้งหมดแบบนี้อาจจะไม่บ่อยแต่ก็หลแบประมาทไม่ได้มันก็มาอยู่เรื่อยๆมาในลักษณะต่างๆกัน มันเกิดรเรื่องตลกขึ้นม า, าที่ว่าพอเกิดไฟไหม่ขึ้นมาเคย ไ, ได้ยินใช่นะ ไ, ไหมเสดไฟใหม่ขึ้นมานะบางคนก็เป็นขนออกมาจากบ้างในครังที่อของที่มันา่าขนมีแต่นั่นเยอะแล้วก็ปลาไปด้วยเช่ชนโฉนยหรือว่าเพ็รมินจินดาไม่ออกมาขนตูงออกมาอันนี้เรียกวไม่รู้ตัวนะนี่มันมีสตินะัคือถ้าท่านมีสติรู้ตัวแล้วเนี่ยมันไม่ขนสอกแต่บางครั้งความพัฒนาสูญเสีย แต่จ็ยิ่งกว่านั้นและความไม่รู้ตัวก็ทำให้เราเป็นทุกข์ได้อย่างพอผู้เช่นนี้พระราชาก็ได้สติขึ้นมาได้สติคืนมาก็รู้แล้วเออเราไปว่าคนอนโง่แต่ที่จรินเราโง่กว่าเขาสิเขาอยากได้สิ่งที่เห็นด้วยตานี่มันมีความหวังแต่ว่าไอ้ที่ไอ้เราที่มันอยากได้สิ่งที่มันลึกลักแบบนั้นมันไม่มีาทางเดินไปได้ พระราชาคือรู้ว่าการทําแบบนี้มันโง่แต่พอเผชิญต้นตัวเองเนี่ยก็ลืมตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวก็ก็เลยอันนี้เราเรียกว่าเป็นเพาะสตินเนี่ยมันอ่อนคนเราถามถามว่าเวลาเผชิญตาคุณเซกแบบนี้เนี่ยเรารับมือได้ไหมหรือว่าเราตกลงไปในความโศกความเศร้าวความเสียใจเวลาเราพบกับความผิดหวัง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 อยากจบสามปีขึ้นแต่พอไปเข้าห้องสอบปรากว่าวิชาหนึ่งสอไม่ได้ซึ่งหมายถาว่าหนูจบสามีคึ้นไม่ได้ต้องจบสี่ปีเสียใจมากสียใจมากจงอยู่ความเศร้าความเสียใจจนที่สุดก็โดดตึกตายก็เหมือนก็เป็นเรื่องเดียวกับนักศึกษาอนักศึกษาที่ได้โครงการฝุ่นไปเรียนดีหนึ่งหนึ่งอ1หนองเพอ คุณเด็นนอหนึ่งหนึ่งเบอร์หนึ่งทุนเลยเนี่ยไปที่เยอรมันแต่แล้วมีปัญหาเรื่องการเรียนเย็นไม่ได้ภาษาเยอรมันไม่รู้เรื่เลยกุงออกกุ้งใจโทรมาหาพ่อแม่พ่องแม่บอยากลับเลยกลับแล้วถ้ากลับมาเมืองไทยแล้วกลับไปเรียนเยอรมันไม่ได้ทาราฮะไปห้าสิบเมตรตื่นขึ้นมาพื้นขึ้นมาก็ยังเศร้าไม่หายโดดติดใจถามเมื่อสองที่ที่แล้ว จะสติในชีวิตประจําวันบางทีมันรับไม่อยู่นะความกับความพัดพลาดความสูญเสียหรือการประสบสิ่งไม่ดี่ปศาถนาคนเราก็มีอยู่สามอย่างเท่านั้นแหละเราสวดุเช้าศาสนาสิ่งเอ่อประสบสิ่งที่ไม่น่ารักน่าพอใจพัดพลาดจากสิ่งที่น่ารักน่าพอใจศาสนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นถ้าชี่ิคนเราลับเรี่ยนะ ราบเรียกเหมือนกับเดินบนทางนะมันก็ดีอ่ะแต่ว่าในความเป็นจริงชีวพลานมันมีบ่อของจริงก็มีผูกเต่ไ ม, ม่ได้ซ้ำนั้นเราเพียงแค่ว่าพาสามารถในการเดินบนเส้นทางปกติแล้วไม่สะดุดอันนั้นไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะเดินบนเส้นทางชีวิตไปได้อางราบเรื่อยถึงเวลาเจอเส้นทางที่มันขรกครับ ถ้าเราไม่มีความระมัดระวังตวัวเราก็อาจจะสะดุดหลหรือว่าสะดุดถิ่นตื้นนหรือว่าเสด ส, ดสดได้ความทีก็อาจจะเดินแล้วก็ตกเท้าไปเลยก็มีอันนี้ก็เพราะว่าไอ้สติที่เรามีมันอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความจะเป็นมากที่เราต้องเจริญสติกัน เพิ่มคุณสติของเราให้มากไปกว่าที่เราได้ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเพื่อที่จ ะ, ะเผชิญรับมือกับสิ่งที่ในความฝันในชีวิตความท้าทายสูญเสียการวิกิตต่างๆในชีวิตแต่ที่จริงไม่เราไม่ต้องรอหรอกว่าจะต้องให้มีวิกิตในชีวิตวันที่จะได้ใช้สติไม่ใช่ไปต้องเจอความท้าทายสูญเสร็จะก่อนที่จะใช้สติที่เราฝึกมาอย่างเต็มที่ ในชีวประจำวันถ้าเราฝึกสติไว้ดีแล้วนะมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยอยู่อยา่างปกติสุดได้มากกว่าเดิมหรือว่าดีขึ้นกว่าเดิมงานทรายก็ทำไ ด, ด้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าความรู้ตัวความไม่ลืมตัวความไม่หลงเนี่ยนะมันมีความละเอีย ด, ดของมันอยู่ ไม่ใช่เพียงแค่ว่าตกหายแล้วตื่นขึ้นมามีสติอย่างนี้เราเรียกว่ารู้ตัวรู้ตัวแบบนี้เป็นรู้ตัวแบบหยาบๆอยู่นะมีรู้ตัวที่ละเอียดกันนั้นรู้ตัวว่าเรากําลังุ้ดสร้างรู้ตัวว่าเรากําลังหมุนเหยียคนำพานใจนะรู้ตัวว่าเรากําลังเศร้ารู้ตัวว่าเรากําลังทุกข์กับความเจ็บความปวด นี่เป็นความรู้ตัวที่ละเอียดซอยยด้อนย่อยลงมาอีก็มาสาศัยสติผู้วัยเพียงแค่รู้ตัวว่าฉันไม่สลกสไลด์อันนั้นเป็นความรู้ตัวแบบหยาบๆเราต้องการการรู้ตัวที่ละเอียดกันนั้นความระลึกได้ก็มีความลึกคือลึกได้ทละเอียดาการระลึกถึงเบอร์โทรศัพท์กำหนดนัดหมายของเพื่อนงานการที่ข้า้งค้างอันนั้นมันยัง ยังเป็นควา ม, มาระลึกได้ที่ยังอยากอยู่มีควา ม, มาระลึกได้ที่ละเอียดแล้วไวยที่นน ง, ง, วงลลลกงว่ า, ลล น, านั้นอย่างเช่นที่เราําลังเวลาเราเดินตรงกลมแล้วเราเผลอคิดไปแล้วเราลึกได้ว่าําลังเดินตรงกลมอยู่ในจิตกลับมานั่นแหละคืขขอความระลึกได้ที่ทํางานแบบฉับพานนะันแล้วก็ไวควา ม, มาระลึกได้ความรู้ตัวแบบนี้มีประโยชน์อย่างไงมันมีประโยชน์มากเพราะมันทำให้เราไม่ไม่หลงจ ม, มเข้าไปในความทุกข์และไม่ทําให้ความทุกข์เนี่ย ลุกลามขยายใหญ่โตคนที่เศร้าพ้อแท้ผิดหวังจนค่าตัวตายเนี่ยความเศร้าความท้อแท้ของมก็เริ่มต้นมาจากจากระายความผิดหวังความเศร้าเล็กๆที่มันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆอย่างคนที่ค่าตัวตายเพราะว่าเพื่อนรอวันะยสิวเด็กสาว มีสีไม่กินไม่จินเมะส่สนแรเเน่ามันห้ฆ่าตัวตายได้มันก็เริม่มต้นมาจากความรู้สึกเล็กๆในน้อยที่เกิดขึ้นคิดแรกก็อาจจะรู้สึกอายเลย็กในน้อยที่เพื่อนล้อแต่ว่ามันสะสมมากขึ้นมันเริม่มต้นมาจากตัวเล็กๆนั้นแนะหละไอ้ความความรู้สึกที่ทาําให้เราเป็นบ้าเป็นหลังคลุ้มคลั่งคิดจะทําไาตัวเองทำร้ายคนอื่นเนี่ยเฉพาเราลืมเราลืมตัวเราไม่รู้ตัวมาตั้งแต่ตอนที่มันเร่มเกิด ถ้าเรามีสติที่ไวเราจเจอระลึกได้ระลได้เราต้องการสติที่ไวยอย่างนั้นถึงีเชืิญชวนให้พวกเรามาเดิ น, น, น, น, น, ดนตัวครงสร้างจังหวะและจิตสติกันแล้วเราก็ได้เห็นประจักษ์แก่กงเราว่าถ้าสติของเราไวเนี่ยไอ้ความคิดนี่มันไปแค่เดียวมันไปได้ไม่ไกลมันกลับมาอยู่กับกายอยู่กับมือยาบ บางทีความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกมันแรงหน่อยเพราะเราไปคุยเรื่องเก่าๆขึ้นมานะสติ ท, ที่เรามีที่เราปฏิบัติอาจจะช้ากว่าจะรู้ตัวความคิดไกลๆหรือว่าตีอกชกตัวไปแล้วแต่ว่าเราก็ได้เห็นแล้วเออถ้าเรามีสติที่ไวนะมันดึงจิตออกมาได้ดึงจิตกลับออมาได้ได้ไวแล้วก็เราจะ โปร่งใสโปร่งเบาขึ้นความระลึกได้ความรู้ตัวเนี่ยมันมีมันมีหลายระดับขั้นแล้วแต่ละขั้นแต่ละขั้นถ้าละเอียดอ่อนแล้วก็ไวขึ้นไว้เรื่อยๆเนี่ยจะช่วยทำให้เราได้ได้ได้จับจับทุกได้ไวขึ้นแล้วก็ได้เข้าถึงสุดคิดไปนี่ขึ้นไปนี่ขึ้นเรื่อยๆอย่าไปดูถูกหรือมองข้ามในความรู้สึก ความรู้ตัวความรู้ทันหรือความระลึกได้นะถ้าเราลึกแค่เราพัฒนาสติแล้วก็จะมีความไม่รู้ไม่หลงไม่รู้ตัวไม่หลงตัวได้ไวได้ไวเนะี่ยมันหมายถึงว่าอยู่ใกล้นิพพานมากเลยมันเป็นเส้นทางไปสู่ความอิสระอย่างแท้จริงจริงแค่เรารู้แล้วก็วางแล้วก็วาง คมีคนถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดลนี่เป็นศิษย์รุ่นแรกของพระอาจารย์มั่นหลวงปู่มั่นเป็นศิษย์รุ่นองวสุนทรนคนก็เชื่อว่าหลวงปู่ดูลเป็นขาิยะก็เคยมีโยมคนนึงก็ถามหลวงปู่ดูว่าหลวงปู่ทาอะไรเนี่ยตัดความโกรธได้ท่านตอบยังไงรึมัยไม่ตอบไม่มีใครตัดได้หรอกมีแต่รู้ธรรมเมื่อรู้ธรรมแล้วความโกรธก็ถดไปเอง รู้ทันนี่คืออะไรรู้ทันนี่คือรู้ตัวคือสตินั่นแหละมีความมีคนถหลวงปู่นะเห็นว่าปู่เป็นภาริายาใจเลยค่ะหลวงปูปงง่มีโกรธนะหลวงปู่บอกสั้นๆมีแต่ไม่เอาทำไมถึงไม่เอาก็ ร, รู้ร่วมามันไม่น่าเอาไอความโกรธนี่มันไม่น่าเอ า, อฟ า, ฟ ร, า, เอารู้ทันแต่ปกตินี่ไม่ทันไม่ทันจะรู้หรอกควาฟมโกรธก็ขมวดเรไปแล้วมันก็ครอบเราไปแล้ว นะเพราะว่าสติเราอ่อนตั้งรัไม่ทันเนื่องา ก, กว่ า, าประตูเมืองคนเฝ้าประตูเมืองนี่ไม่ไวพอสตัวว่าจู่โจมไปอย่างกระทันอย่างฉับพลันคนเฝ้าประตูเมืองหรือว่าตัว บ, บานนี่คือสตินั่นเองสติที่เฝ้าใจเอาไว้รับสาใจไอ้นี้นถ้าเราไอ้ความความรู้ความรู้ทันมันมัน อันนีอำนาจมากทีเดียวถ้าเราถ้าเราถ้าเรารู้ทันไวๆรู้ทันได้ไวมันก็จะหลุดได้หลุดได้หลุดได้แต่ไม่ใช่แต่ไอสิ่งที่น่าเกลียดเราไม่เอานะเช่นความโกรธใครๆก็ร่วมไม่น่าเอาแต่ว่าพอกระตุ้นทีไรเสร็จมาที่กระตุ้นอะไรเสร็จมาที่แต่แม้กระทงสิ่งที่น่าเอาจิตก็จะเตือนเราว่าอย่าไปเอานะเพราะว่า ไอพี่อร่อยอร่อเนี่ยนะมันมีทุกแสงอยู่ความเพืเ่อตนยินดีในชื่อเสียงเกียรติยศในทรัพย์ในในความสำเร็จที่ได้มาถ้าไม่มีสติหรสติไม่ไว้พอเนะยเราก็จะไปไปหลงไหลได้เพื่นกับกับโลกธรรมเหล่นะนานั้นไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองความสําเร็จไอความกนไม่เอานี่ใครก็รู้มันไม่น่าเอา แต่พวกที่ไปลุกโลกระทำที่มันน่าเอาเนี่คนะือเกิดเอาทุกทีโดยที่ไม่รู้ว่าถ้าเราไปยึดมันแล้วไปเชื่อตนยินดีของมันแล้วความทุกข์จะตามมาความทุกข์ตามมาก็เพราะว่าไรเพราะจิตที่ฟู ม, มากๆเนี่ยพอถึงเวลาตกลงมันเจ็บเวลาเราประสบชัยช น, นะแต่มันแปลเป็นความแพ้แทนมันฟูมากนะคนที่เป็นแชมป์เสร็จแล้วก็แพ้ เวลาไปแพ้นะมันจ ะ, จะทุกข์มากกว่าคนที่แพ้มาตลอดแล้วก็แพ้อีกครั้งนึงก็เฉยๆโลกธรรมห ร, รมือว่าอิถาโลงฝ่ายบวกเนี่ยอิถาโลงฝ่ายบวกเนี่ยถ้าเรามีสติรู้มีปัญญาเราก็จะไม่ไม่ไปไปยึดจิตมันเพราะเรารู้ว่ามันก็ไม่ต่างจากหาม ง, งูความทุกข์ความ ท, ท, ทร้าความโศกหลัวงูแต่มาแล้ ว, ลวก็ถูกกัดแต่ว่าไอ้ส่วนที่ตรงข้าม ความสําเร็จชัยชนะโชคลาภชื่อเสียงมันก็คือหางงูจะมันก็ต้องแย่งกลับมันได้อันนี้เราเราก็จะรู้เปรี้ยงไปต้องมาจับเหยื่อแหละเหยือ่อปลาที่มาเจอเหยื่ อ, อจะเป็นใต้เหยือ่อจะเป็ น, มนแมลงก็ตามมันน่ามันน่าอร่อยนะตอนที่คุ้มครั้งแรกนี่อร่อยแต่สักพักก็จะเจ็บปวดขึ้นมา เมื่อเด็กมันเกี่ยวมันทะลุ ป, ปากเรื่องกระทำฝ่ายบวกคืออย่างนี้แหละก็คือว่าครั้งแรกเนี่ยตอนที่เสร็จกันมาครั้งแรกตอนที่คลองกันครั้งแรกเนี่ยมันอร่อยมันให้ความสุขให้ความเพลิดเพลินแต่ลราเองนั่งสื่อความทุก ข, ข์เพราะว่ามันเป็นไปตามหลัอนิจจันะเมื่อมีรดกระเสริมรด ม, มูลลาบกระเสริ ม, ม, มลาบ เนะ ม, มื่อมีสรรเสริญต้นนินทางเมื่อใดก็ตามที่เราดีใจที่คนสรรเสริญเวลาเขาดา่าเราก็ต้องทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เวลาคนด่าคนตำหนิเราก็อยากไปดีใจเวลาคนสรรเสริญถ้าเราไม่อยากทุกข์เวลาเสื่อม่าเสือ่อมยศเราก็อยไปดีใจเวลาได้รับได้ยศมัติของคู่กันนะยิ่งฟูเท่าไหร่เราก็ต้องเบียงแต่ไปสู่ความแท้ เมื่อสิ่งต่างๆแปรไปมันคือเหยื่อที่มีเด็ดแรงอยู่เราปฏิเสธไม่ได้และบางครั้งมันก็ไม่เสีนแรงอาจจะไม่เสีนแรงของบางครั้งเรามีมียศมีลาภแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ที่ไม่มีการเสื่อมยศเสื่อมลาภแต่เพียงแค่ว่าไอ้ลาภที่มีอยู่ยศที่มีอยู่เนี่ยอยู่กับที่เนี่ยเราก็ทุกแล้ว Oh, เพราะว่าความอยากจะได้มากหรือก็ความเบื่ออาหารที่เราชอบนะกินคำสองครัำแร ก, กอร่อยกินจานที่สองก็ยังอร่อยแต่ถ้าลองกินทุกมื้อเป็นไงตากลางวันเย็นช้างวันเย็นหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนมันก็อร่อยเหมือนเดิมนะแต่เราไม่รู้สึกอร่อยกัเขาแล้วแหะเรามีเราชอบเกลือนชอบเลี่ยนชอบเบือ่อแล้วก็ถ้าเป็นมื้อที่สองเราจะอ้วกไ เจอาการวันี้เจอของที่อร่อยอยู่แล้วก็กินมันอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราจะเยนละอาเย็แค่นิดถึงก็หวานของมีเท่าเดิมนะแต่เราไม่มีความสุขเราก็เลยได้ของใหม่มไม่ต้องรอให้มันเสื่อมหรอกแช่มันอยู่กับที่เท่านั้นแหละเราก็ทุกและเจริงแต่มันไม่ได้ทุกเร็ววังมันค่อยๆคื่นคลานเข้ามาก็ว่าเป็นธรรมชาติที่ทุกต้องแสงในสุข มันเป็นเรื่องวิปนนริณนามะทุคือทุกที่มันแจ้งในสุเมื่อความสำเร็จนะความสาเร็จตอที่เราได้มาเราก็ดีใจแต่เราอยู่กันนานักเบื่อมันอยากได้ความสำเร็จอั น, ะน ใ, หใหม่เราต้องการสิ่งใหม่ๆเสมอไอ้ความเบื่อนี่แหละมันก็คือคือโทษของของโลกธรรมฝ่ายบวตร ผู้ที่ถ้าเรามีสติระลึกได้กบทวนชีวิตอยู่บ่อยๆแล้วก็จะพบว่าไอ้คนนึงก็ไม่น่าเอาเหมือนกันความดีใจความเพลิดเพลินดีก็ไม่น่าไปพุกเหมือนกันไม่ใช่แต่ว่าความโกรธไม่เอาเท่านั้นนะความน่ายินดีความดีใจความสุขสติความสําเร็จมันก็ไม่น่าไม่น่าพุกไม่น่าเอาเหมอนกันถ้ามีคนถามเราพูดดูว่าเราพูดดมีดีใจนั้ยปรากฏวามีแต่ไม่เอา มันเป็นเรื่องเดียวกันอบวกกับลบเนี่ยนะจริงๆเดี๋ยมันมันมันมาคนละคนละลักษณะเท่านั้นเองนะแต่ทั้งสุดท้ยก็คืออันเดียวกันก็คืัว่าถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมาเมื่อไหร่มันคือทุกเมื่อนั้นถ้าเรามีสติเราจะรู้ตัวเราจะไม่หลืมตัวคุกมันไม่ยึดมั่นถือมั่นเราได้รับความสำเร็เราก็รู้ว่าเออมันเป็นเช่นนั้นเองวันนี้ชนะพรุ่งนี้ก็อาจจะแพ้ ตอนที่สำเน็ตผู้นี้กปจะล้มเหลวเราไม่ประมาะทโลกตรรมเราก็เลยไม่ดีใจมากพขาชมเราเราก็รกได้ว่าเออผู้นี้อาจจะโดนด่าก็ได้เราก็ไม่ไยคยตื้นมาโลกธรรมันเป็นอย่างนี้เองนะ<ด>คือว่ามันไม่มีใครที่จะยึดจะครอบครองมันได้และใครคิดครอบครองมันยึดมันถือมั่นก็เป็นเราเป็นของเรากก็ทุเพราะฉะนนั้นเนี่ยเราปฏิบัติไปเนี่ย หลวงพ่อถึงเน้นวันเนี่ยให้รู้สึกตวัวตลอดเวลานะคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างมันดีใจก็ช่าง ม, มันเสียใจก็ช่างนะสุกตารปล่อยวางมีวไว้เมื่อดีใจก็รู้ว่าดีใจเมื่อเครียดก็รู้ว่าเครียดแต่ให้ไปสําคัญมันหมายว่าฉันเคียฉันดีใจจะมีคนามาศึกษามาศึกษาหลวงพ่อว่าหลวงพ่อทำยังไงดีหนูเครียดจังเลย หลวงพ่อไม่ตอบจะพูดว่าถามได้ถูกถามใหม่พเพราะเราว่าหลวงพ่อดูเหน็นความเครียดข้างหนปากอะไนะหนูเคียดแต่ น, นูเห็ความเครียดเนี่ยถ้าหนูเครียดเนี่ยมันมันมันทุกข์เลยแต่ถ้าหนูเห็นความเครียดนี่มันมันเบากันเยอะบานดีคาตปิติมือนกนะันท่ะมันเกิดขึ้นอยไป ฉันไม่หมายว่าฉันดีใจฉันพุกฉันเก่งให้รู้ว่าฉันเห็นมันเห็นความดีใจเป็นความเก่งเกิดขึ้นเห็นความฝึกเสฝนเกิดขึ้นไม่ไปยึดมันอันนี้แหละคือหน้าที่ของสติที่ฝึกฝนมาดีพอที่ไวพอมทำให้เรารู้ตรงมาได้เป็นผู้เห็นไม่ใช่พุกเป็งเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงอยากจะเชิญชวนให้เราเนี่ยแม้ว่าเราจะมีสติ ใช้การได้ในชีวิตประจําวันดีแล้วแต่อยา่าประมาทนะเพราะว่าเป็นเวลาที่เจอเรื่องคิกผันนะเราจะตั้งรับไม่พังเราเตรียมตัวสร้างสติให้ไวตั้งแต่ตั้งแต่เนิ่นๆถึงแม้เรื่องวิกฤตสิ่งคิกผันจะไม่เกิดนะแต่ว่านม้กระทั่งการแล้วก็กระทั่งธรรมดาแล้วก็อยู่ได้จัดการมนนาได้อย่างสนุก อ, อย่างเป็นสุขอย่างสบายยิ่งกว่าเดิม อ่ะแล้ก็อยากจะให้ทุกคนตัวสำหรับปฏิบัติสันมากนะเพื่อว่าสติของเราจะได้เป็นที่พึ่นของเรารีนแท้จริง